ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอให้เอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันทัดแล้วทำสันทัดขนเจียมดำล้วนอย่างเดิมจริงหรือพวกภิกษุชพกีทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า